Thank mm -hmm. you. จเจริญสุขท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจใฝ่ธรรมทั้งหลายต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านสาธุชนเข้าสู่รายการธรรมสุสันติวันนี้อาตมาภาพมีธรรมะมาฝากท่านผู้ฟังเป็นธรรมะสบายสบายซึ่งนำมาจากชาดกประวัติของพระเถระในอดีตซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่หรือเรียกว่าพระอสิติมหาสาวก ซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ในยุคแรกๆที่ช่วยพระพุทธเจ้าในการเผยแพร่ พ, พระพุทธศาสนาจนได้รับยกย่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่ท่ามกลางสงฆ์ซึ่งในศาสนาของพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าของเรานี้ก็มีอยู่เพียงแค่80องค์ที่เป็นพระเถรคผู้ใหญ่และที่ได้รับยกย่องก็มีอยู่ประมาณ 4 0ถึง50องค์เท่า น, นั้นเองที่ได้รับเอตตัคะคือเลิศในทางในส่วนต่างๆกันเช่นพระสารีบุตรก็เลิศในส่วนของผู้มีปัญญามากกว่าพระสาวกทั้งหมดในพระพุทธศาสนาของพระองค์นี้พระโมคขลานะพระอัครสาวกเบื้องซ้ายก็เป็นเลิศในส่วนของผู้มีฤทธิ์มากได้รับยกย่อง รองลงมาจากพุทธเจ้าว่าโมคลานะนี้แหละเป็นผู้มีฤทธิ์มากกว่าบรรดาสาวกที่เป็นอรหันต์ของพระองค์เองอย่างนี้เรียกว่าได้รับการยกย่องให้เป็นเอตทัคคะในส่วนนั้นๆในส่วนปัญญาหรือในส่วนฤทธิ์บางท่านได้รับการยกย่องในส่วนของการส่งผ้าบางสุกุลในการประพฤติวัดปฏิบัติทุดง เช่นพระมาหากัสปะเทระผู้เท่าอย่างนี้ทรงคลองผ้าไตรจีวร น, นเป็นผ้าบางสุกุลที่ไปเก็บตกจากผ้าเปื้อนฝุ่นจากกลองอยากเยื่อจากป่าช้าศกดิบแล้วนำมาซักมาซักมาตัดมาเย็บมาย้อมแล้วก็นุ่มก็ห่มกันอันนี้ทำอย่างนี้จนตลอดชีวิตของ พระเถระคือพระมาหากัสปเีระเองก็ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันสำหรับประวัติพระเถระที่จะนำมาเสนอสู่ท่านผู้ฟังวันนี้ก็เป็นประวัติของพระนันทะเถระซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจน่าศึกษาเราจะได้เห็นแบบอย่างของการบำเพ็ญบารมีของบุรพาจารย์หรือ บรรพชนในอดีตผู้มีปัญญาผู้เป็นบัณฑิตได้กระทําคุณงามความดีวางไว้เป็นเนติแบบแผนแก่บุคคลในรุ่นหลังๆในยุคหลังๆแก่พุทธบริษัทในยุคหลังๆ ห, หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับคันธปรินิพานไปแล้วก็จะได้ศึกษาทําความเข้าใจในประวัติความเป็นมาในความพิสดารในธรรมะที่ พระเถระนั้นได้นำมาใช้ในการประหัดประหารกิเลสในใจของตนเองจนหมดอาสวะกิเลสตัณหาอุปาทานลงได้จนโคน้นอวิชชาอันเป็นรากเหง้าแห่งมูลรากแห่งฝ่ายเกิดทุกข์ทั้งปวงอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายผู้ปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์ถึงซึ่งบรมสุขควรที่จะทาความเข้าใจและศึกษาจดจา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 มัดน้อมใจสดับพระฟังพระธรรมเทศนาอันเป็นคำสอ น, สอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะให้เราเกิดปัญญาเห็นแจ้งแทงตลอดในสภาวะธรรมสืบต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังพร้อมกันตมาใค่เจริญพรเพื่อทราบทุกท่านนะอีกนิดหน่อยว่าพวกเราทั้งหลาย เมื่อทำบุญนั้นแน่ละปัจจัยเนี่ยเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของแต่ละท่านเป็นชีวิตของแต่ละท่านทีเดียวที่นี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเสียสละมาได้เป็นบุญใหญ่บุญสำคัญและการเสียสละนี้มีทั้งเจตนาที่จะทำบุญตั้งแต่ต้นและในขณะ และภายหลังนึกถึงบุญนีอยู่บ่อยๆเนืองๆจะเป็นบุญกุศลทัพทวีให้แก่เราตั้งแต่ต้นประโถมวัยแม้มัดชิมวัยแม้การล่วงเลยวัยกลางคนไปเป็นวัยดึกอย่างไรก็ติดตามให้ทนมิได้ขาด ไปจนถึงมรรคผลนิพพานาที่อาตมายกความสำคัญขึ้นมาพูดในเรื่องว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเนี่เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเนี่ยเราพึงพิจารณาในการทำบุญเนะในการทำบุญพิจารณาด้วยปัญญาอันแยบคายด้วยปัญญาแยบคายว่าเราอุตสาห์จะเสียสละไปเนี่ย เพราะเราไม่ได้มีเงินล้นฟ้าล้นดินเพราะฉะนั้นเมื่อจะเสียสละอะไรลงไปพิจารณาให้รอบคอบดูแล้วว่านี่จะเป็นประโยชน์อันบริสุทธิ์ต่อพระาศาสนาต่อเราเองต่อผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ปราศจากกิจกรรมอันจะนับเนื่องหรือมีผลให้เป็นความหลง ติดอยู่ในสังขารคือความปรุงแต่งทั้งหลายสังขารในเรื่องสำคัญนะความปรุงแต่งในเรื่องสำคัญนะสำหรับบุคคลเบื้องต้นที่จะเข้ามาในธรรมะแน่ละการทำบุญอะไรก็ น, นึกที่จะให้เป็นความสุขความเจริญอย่างชาวโลก ความสุขความเจริญอย่างชาวโลกก็คืออยากจะได้พบได้เห็นได้สัมผัสสิ่งดีงามสิ่งที่อร่อยด้วยรูปด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยสิ่งสัมผัสทางกายที่ให้เกิดความสบายกายแล้วก็เสวยสุขเป็นสบายใจในโลกียสุข อันนี้ก็ไม่ปฏิเสธหรอกตราบใดที่ว่าเรายังไม่ละกิเลสได้หมดโดยสิ้นเชิงทุกคนก็ปรารถนาความสุขอย่างนี้ด้วยกันทั้งสิ้นก็ยังดีก็ยังดีและความสุขเหล่านี้ให้พิจารณาต่อไปอีกว่าไม่ยังยนนะย่งยืนถาวรนะไม่ยั่งยืนถาวร เพราะฉะนั้นใจเรานั้นต้องละไปถึงสุขอย่างนี้ละสุขอย่างนี้เพื่อที่จะไปสู่ความสุขที่ประเสริฐกว่าปราศจากทุกโดยสิ้นเชิงเอาสุขอย่างนี้เป็นทุกข์ด้วยหรือทุกข์สิทำไมพิจารณาไม่เห็นทุกข์ยังไงหนึ่ง สเสวยสุขอยู่ก็ไม่ได้นานไม่คงที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยบุญเราทำได้เท่าไรเอา้าให้ความสุขไปจริงแต่ว่าบาปใดที่เราเคยทำไว้ให้ผลเมื่อนั้นก็จะเปลี่ยนจากสุขมาเป็นทุกข์นี่ข้อหนึง่งและความเสี่ยงในทุกอันนี้มีมาก เพราะอะวิชชาคือที่เราไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงมันไปเผลอทำความผิดจนได้ใจมันรั่วจนได้ใจมันรั่วเนี่ยต้องขอเล่าสักนิดเรื่องคนใจรั่วในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าได้ไปโปรโดพุทธ ทบิดากล่าวลักษ์ข้อความแล้วก็ไปรับพัฒหารบินธบาทในงานวิวาหะอาวาหะมงคลของลูกพี่ลูกน้องเป็นเจ้าเหมือนกันเจ้าชายนันทะนันทะกุมารเป็นบุตรชายของพระนางกีสาคูตมี นันก็นันทกุามารหรือเจ้าชายนันทะแม้กำลังแต่งงานกับสุภาพสตรีนางาชนะปะทะกัลยานีซึ่งสวยสวยแค่ไหนไม่ต้องพูดเป็นเจ้าเรามีสิทธิ์เลือกสวยแค่ไห่ยังไม่ไดีร่วมหอลงเลย เพีงแต่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดรับพัฒหารบินทบาตพอถวะพอให้พรเสร็จก็ส่งบาทให้เจ้าชายนันทะเจ้าชายนัน tha ะนะมีศักเป็นน้องเกรงพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเกรงพี่ชายรับบาทรับบาทตอนนี้ตอนแรกก็ไม่เป็นไรหรอก เรื่องเกรงก็ยังไม่คิดคิดว่าดีแล้วเป็นเป็นถูกต้องมารยาททำไปรับบาทเสร็จพระพุทธเจ้าก็เสด็จนึกว่าไปถึงประตูพระพุทธเจ้าจะหันมารับบาทไม่รับเอาต้องเดินต่อถึงกระไดนึกว่าจะรับไม่รับตามไปต่อจนกระทั่งถึงพระวิหารก็ยังไม่รับบาทจนกระทั่งจะเข้ากุฏิ ถึงจะทรงรับบาตรทรงรับบาตรแล้วก็ถามพระพุทธเจ้าถามนันทะเธออยากจะบวชหรือเธอจะบวชหรือไอ้คําถามเนี่ยมันเป็นพร้อมด้วยพระบา ร, รมีของพระองค์เนี่ยทำให้เจ้าชายนันทะเนี่ยอยากจะกล่าวปฏิเสธแต่ปฏิเสธไม่ได้นันทะเธอจะบวชหรือพระพุทธเจ้าค่ะรับปากไป พ, พุทธเจ้าเลยจับบวชซะเลย ไอตอนที่เสด็จตามพระพุทธเจ้ามาเนี่ยบรรดาสนมต่างๆเห็นรีบไปบอกพระนางชนะปะทกัลยานีบอกว่าพระพุทธเจ้าพร ะ, พระบรมศาสด า, า, า, า, า, าพาเจ้าชายนันทะไปแล้วแม้ทั้งนี้นะกล่าวผมได้ครึ่งเดียว เ, เพราะาผมยาวนี่นะแขง กำลังสางผมอยู่จับกล้าวรวบรวบในครึ่งเดียวเพ่นพรวดไปหน้าต่างพอดีเห็นพอ ด, อดีเจ้าพี่เสด็จมาเร็วๆนะ้นล้าตานองหน้าเลย <Okay. S 1> เจ้าพี่ก็ไปหายรับเลยบวชบวชเสร็จแหมมันนึกถึงแต่พระยานึกถึงอยู่นั่นอ ด, ดไม่ได้แห ม, มเพิ่งแต่งนี่นะยังไม่ได้รวมหอลงงเลยบวชซะแล้ว ใจมันรั่วนี่แหละคืออาการของคนใจรั่วเสร็จแล้วแม้อยากจะสึกบอกพระต่างๆว่าแม้อยากจะสึกเต็มทีพพุทธเจ้าทรงทราบเรียกมาถามนันทะเธอจะสึกหรือบอกพระพระพุทธเจ้าค่ะจะสึกอยากจะสึกวางข้อมือเลยบอกดีแล้วไปเที่ยวด้วยกัน ด้วย อ, อิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์ทรงใชฤทธิ์ตอนนี้ใชอิทธิฤทธิ์เลยปฏิหารพาเจ้าชายนัน t ะไปสู่เทะวะโลกชั้นดาวดึงนะพาไปสู่เลยขณะที่พาไปนั้นตอนแรกก็คงผ่านผ่านคล้ายๆท้องนา ตอนนี้ปาฏิหาริย์ให้เห็นลิงลิงหางกุดด้วยจมูกแหวงด้วยหูก็แหวงด้วยตัวก็รุ่นด้วยดูไม่ได้นั่งนบนตอไม้ให้ดูลิงดูลิงเสร็จก็ด้วยอิทธิปาฏิหาริย์พาเข้าสู่เทวโลกทีนี่แหละให้ดูเทพธิดานางฟ้าสวยเอามาเยอะเลย เขาบอกว่ามีเท้าแดงดั่งเท้านกพิราบเนี่ยคงแดงเรื่อเรือสวยคงบางหริวนะเนีสวยทีนี้ประเดี๋ยวโยมจะนึกว่าเอ๊ะทำไมว่าเท้าแดงอะไรว่าเทวดาใสทำไมเห็นเท้าแดงอย่าสงสัยนะโยมนะเรื่องของของละเอียดนี่มันมีอะไรอะไรต้องต้องคิดต้องพูดกันจริงๆนะเขาใสนะ แต่ให้จิตมนุษย์เห็นด้วยกายมนุษย์หยาบด้วยตาของกายมนุษย์หยาบก็ต้องเห็นหยาบออกมาหยาบออกมานั่นแหละจึงเห็นวันนะว่าผิวแดงผิวสีชมพูสีชพูสวยงามมากถามนันทะสวยไหมสวยพระเจ้าค่ะเทียบกับนานจุดปร ะ, ะชนะพร ะ, ะกราล ย, ย, ยานีกาลยาณีเป็นยังไงเหมือนลิง <c oughs> <c oughs> บอกกเทวดาสวยแต่เทียบ นางประทะชนปะปทะกัลยาณีแล้วเทียบได้กับลิงลิงที่ดูเห็นมานั่นเอาอย่างนั้นเธออยากจะบวชไหมละ่ะแต่เธอบวชแล้วจะจะให้นะเนี่ยจะหาให้จะหาเมียนางฟ้านีให้รับรองด้วยนะเออรับรองด้วยเอาไม่เอาละ่ะเอาพระเจ้าค่ะเออยอมบวชเอาเอาเพื่อจะได้นางฟ้าพระพุทธเจ้ารับรองเลยเอ้าวจะให้นางฟ้าขอให้บวช แล้วก็อธิษฐานปาฏิหารมาปรากฏอยู่ที่พระวิหารตามเดิมเสร็จแล้วก็เจ้าชายนันทาก็อยู่ไม่กี่วันนะ่ะเสียงโจดขานเซงแซ่เลยว่าเจ้าชายนันทะนี่บวชเพราะอยากมีเมียเทวดาแต่ใครไปตรงไหนก็ว่าพระพุทธเจ้าท่านจ้างให้บวชเลยอายรับไปตรงไหนใครเขาก็พูดเรื่อยอายรับใจมันรั่วนึกถึงแด ของสวยๆงามงามนี่อะไรสวยๆงามงามก็อยากได้ใ น, นเขาเรียกว่าคนใจรั่วคนใจรั่วทีนี้ก็อยู่ต่อมาอายสิบุญท่านเต็มนะบุญบา ร, รมีท่านเต็มแล้วนะไอคนบุญบา ร, รมีเต็มนี่มันมีทางออกมันจะมีทางออกของเขาเองด้วยบา ร, รมีไอเรื่องนี้สําคัญ เพราะฉะนั้นการสร้างบุญกุศลนิยมเข้าใจนะมันไปส่งอย่างนี้นะไปไหนแล้วมันไม่ตกต่ำมันมีแต่ขึ้นเรื่อยนี่ถ้าว่าสร้างบําเพ็ญบารมีเป็นไปด้วยทานศีลภาวนานี่อาตมาจะย้อนมาตรงนี้หน่อยหนะึ่งว่าที่อาตมาพาสร้างเพราะเห็นว่าญาติโยมเนี่ยปัจใจเนี่ยเหมือนกับเลือดเนื้อมันต้องเลือกกันหน่อย เลือกสร้างไอ้ที่มันจะเป็นประโยชน์อัตถะประโยชน์ได้สูงที่ไหนก็ได้ที่ไหนมันมีอัตถประโยชน์สูงเอาเลยที่ไหนทำให้หลงไม่เอาหลอกลวงไม่เอาเรื่องไร้สาระไม่เอาเพราะถ้าเอาเป็นยังไงทำบุญกับคนหลอกลวงทำบุญกับคนไร้สาระหรือทำกิจกรรมที่ไร้สาระหรือมีสาระน้อยก็ได้อยู่นั่นแหละติดกันอยู่นั่นแหละนุงนั่งอยู่นั่นแหละ เป็นธรรมดานี่เพราะว่าเราต้องพิจารณาได้นะแต่จริงอยู่นะประเดี๋ยวใครบางคนอาจจะคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าแม้ทำบุญให้สัตว์เดรัจฉานให้กินอิ่มหนึ่งสัตว์นั้นเป็นสัตว์ที่ว่าเราเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือมีคุณค่าต่อมนุษย์ เพียงแค่นี้อิ่มหนึ่งแค่สัตว์เดรัจฉานนี่ได้อานิสงส์ถึงห้าร้อยชาตินะอานิสงส์ถห้าร้อยชาติเพราะฉะนั้นเป็นมนุษย์อย่างน้อยปุถุชนไอ้ที่หนาโดยกิเลสก็พันชาติสูงขึ้นไปก็เป็นหมื่นชาติแสนชาติเป็นโกดเป็นอสงไขยแต่แน่ละ่ะก็บอกแล้วว่า ในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าทำบุญต้องเลือกเลือกดูในบุคคลในคณะบุคคลในกิจกรรมที่เป็นกันะยาณมิตรแท้ๆเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แท้ๆเท่าไรเพียงใดนั่นแหละให้เลือกทาถ้าเลือกทา กับบุคคลหรือคณะบุคคลหรือกิจกรรมที่ควรทำท่านว่าอย่างนั้นเเมื่อมีทุกข์ภัยจะได้สหายเป็นที่พึ่งอันประเสริฐนี่แต่ถ้าทำบุญกับบุคคลที่ไม่ควรทำไม่ว่าจะเป็นคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอย่ามีทุกข์ภัยเดือดร้อน ไม่ได้สหายที่ประเสริฐและไปมีอยู่อีกสูตรหนึ่งว่าความเป็นสหายในคนพานนั้นไม่มีความเป็นสหายในคนพ า, า, า, านไม่มีอันนี้ก็เก็บเอาไปจำไว้เพราะฉะนั้นอาตมาชี้จุดนี้ก็เพื่อให้เห็น ว่าทําบุญด้วยเลือดเนื้อเชื้อไขของเราพิจารณาแต่ไม่ผิดหลักนะพระพุทธเจ้าไม่ผิดหลักท่านแสดงไว้เลยแต่ว่าในขณะเดียวกันเมื่อเรามีโอกาสทําบุญกับใครที่ไหนแม่สัตว์เดรัจฉานก็จงทําตามควรเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าทําในบุคคลที่ควรทําคณะบุคคลที่ควรทํากิจกรรมที่ควรทําที่ใช้ที่มีอัทธประโยชน์สูง อันนี้สงย่อมสงมากแม้เมื่อมีทุกภัยย่อมได้สหายที่ประเสริฐ ด, ด้วยสหายนี่มันมีมันไม่ยากหรอกโจรก็มีสหายโจรก็มีสหายคนกินบ้างโกงเมืองก็มีสหายที่ไหนที่ไหนก็มีสหายแต่สหายที่ประเสริฐมันหายากนี่แหละ และสหายที่ประเสริฐแท้ๆนั้นไม่มีในคนพาลคนพาลคือยังไงคือคนที่มีปัญญาอ่อนเห็นสิ่งที่เป็นแก่นสารสาระว่าไม่ใช่สาระเห็นสิ่งที่ไม่ใช่สาระว่าเป็นแก่นสารสาระเพราะฉะนั้นมันก็มีการกร บ, บคตโกงหลอกลวงกันทั่วในสังคมนี้ นี่แหละมันเรื่องสำคัญอาตมามาชี้จุดนี้ทีนี้เล่าเรื่องใจรั่วต่อใจรั่วพอละอายเข้าไปปฏิบัติธรรมหลีกไปด้วยอำนาจของบารมีนี่จะชี้ให้เห็นว่าท่านสร้างบุญบารมีมาดีเต็มที่แล้วส่งผลละส่งผลโดยประการว่าท่านหลีกไปเองนะละอายแก่ใจ ไปปฏิบัติทำบรรลุอรหัตผลในระยะเวลาอันไม่นานด้วยในระยะเวลาอันไม่นานทีนี้พระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระยานแล้วว่าอ่อนนันทะบรรลุแล้วคือให้สังเกตดูนะพระพุทธเจ้าน่ทรงทราบด้วยพระยานเสมอว่าจะโปรดใครแล้วก็ไม่ว่าจะถูลูถู ก, กังยังไงเป็นอันได้บรรลุเนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ เสร็จแล้วในขณะเดียวกันเท พ, พยายดาก็ยังรู้รู้ว่าท่านนันทะเนี่ยตอนนี้เป็นเถระแล้วนะฮะเป็นเถระแล้วเพราะว่าเป็นพระอระหันต์เนี่ยก็มาบอกมาทูดพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกฉันรู้แล้วอืมดีและอีกหน่อยนันทะก็มาพระนันทะก็มาเมื่อมาแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าฉันรู้แล้วอสัทธาก็รู้แล้ว ทีนี้ก็หลังจากนั้นมาไม่กี่วันน่ะบรรดาพระทั้งหลายที่เคยรู้ว่าพระนันทะเนี่ยอยู่เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านท่านจ้างเออท่านจ้างลืมพูดไปนิดนึงว่าพระนันทะนั้นเมื่อเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้านี่ยมีจุดประสงค์ว่าจะไปกราบทูลเพื่อสงสาร ว่าบรรลุอรหัตผลแล้วแล้วมาเปลืองเรื่องปฏิญญาของพระพุทธเจ้าว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่มีแล้วปฏิญญาคือไม่เอาแล้วพูดอย่างง่ายๆนะฮะนางฟ้านางสวรรค์ที่ว่าสวยนะั่นไม่เอาแล้วแปล ว, ว่าตอนนี้หัวใจท่านไม่รั่วแล้วไม่รั่วแล้วทีนี้บรรดาพระทั้งหลายก็ ที่เป็นปุถุชนนะที่เป็นปุถุชนก็ไม่รู้หรือเป็นพระอริยะบุคคลเบื้องต่ำก็ไม่รู้ว่าท่านันทะเนี่ยบรรลุอรหัตผลแล้วก็พากันาถามว่านันทะเป็นไงบ้างเดี๋ยวนี้พูดอย่างง่ายงายก็ก็คือว่ า, อายังนึกถึงเมียอยู่หรือเปล่าทำนองอย่างนั้นพระนันทะก็บอกว่า เราเป็นผู้ที่พูดอย่างง่ายๆก็แสดงออกมาว่าเป็นพระอาหารหันต์แล้วนั่นเองสิ้นอาสวะแล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดถึงเรื่องการแล้วตัดขาดจากการแล้วพระทั้งหลายก็ไม่เชื่อไม่เชื่อก็มาทูลถามพระพุทธเจ้าเชิงฟ้องว่าพระนันทะเนี่ยกล่าวอุตริมนุษยสยธรรมพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมเรื่องคนใจรั่วให้ฟัง กล่าวโดยย่อก็บอกว่าเมื่อก่อนนันทะเนี่ยใจเขารั่วเพราะว่าอยู่ห่างจากการปฏิบัติพระกรรมฐานภาวนาสมถะวิปัสสนากรรมฐานอุปมาดังว่าหลังคาที่มุงไม่ดีทีทีทห่างๆมีรูโว่รูเล็กรูใหญ่ฝนตกย่อมรั่วรด ชั้นใดสมัยก่อนใจของเจ้าชายนันทาก็เป็นอย่างนั้นแหละคนที่ว่าหลังคาที่มุงไม่ดีอย่างนั้นฝนตกย่อมรั่วรดได้ชันใดคนที่ไม่อบรมจิตด้วยสมถะวิปัสสนากรรมฐานก็ย่อมรั่วเหมือนหลังคาเหมือนกัน ซึ่งแต่ก่อนเจ้าชายนันทะก็เคยเป็นอย่างนั้นแต่บัดนี้เจ้าชายนัน tha นั้นใจเขาไม่รั่วเหมือนหลังคาแล้วเขาเป็นเสมือนหนึ่งหลังคาที่มุงดีแล้วไม่มีรอยรั่วแล้วเพราะฉะนั้นฝนตกก็ไม่เป็นไรขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสาระจากรายการธรรมส่สันติที่จบไปนั้นก็เป็น ธรรมสาระจากธรรมชาดกของประเดศพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณซึ่งนำมาจากชีวประวัติของพระนันทะเถระพุทธอนุชาของเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้าพระสมณะโคดมของเราซึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพุทธบิดาของเราพุทธบริษัทได้เสด็จเข้าไปโปรดพุทธ มารดาพุทธบิดาที่กรุงกบิลพัทหลังจากนั้นก็ไปโปรดสิริมหามายาหรือพิมพาจากนั้นในวันอภิเศกสมรสของเจ้าชายนันทะพระองค์ก็เสด็จเข้าไปสู่งานอาวาหะมงคลวิวาหมงคลเพื่อที่จะฉันพัตหารหลังจากนั้นก็ได้นำบาท ของพระองค์วางไว้บนพระหัตถ์ของเจ้าชายนันทะซึ่งเป็นปฐมเหตุให้เจ้าชายนันทะได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาดังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณได้พูดคุยให้กับสาธุชนผู้ฟังแล้วซึ่งแฝงไปด้วยคติธรรมในการประกอบคุณความดีในการก่อร่างสร้างบุญเพิ่มพูนบารมีในส่วนของทานบารมีศีลบารมีเนคข ม, มักบารมีเป็นต้น อันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่ก้าขึ้นเป็นอุปบารมีและประมัาธบารมีพอเมื่อแก่กล้าขึ้นมาสมบูรณ์แล้วก็จะได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรมได้บรรลุจุดสูงสุดสิ้นสุดพรหมจัณฑ์ในพระพุทธศาสนาเป็นพระอรหันต์ขีณาศพดับกิเลสเหตุเกิดทุกได้ทั้งมวลเป็นผู้รู้แก้งเห็นจริงในพระสัจธรรม ตามองค์สมเด็จพระศาสดาของเราทั้งหลายวันนี้ก็นําท่านสาธุชนเข้ามาศึกษาธรรมชาดกซึ่งเป็นชีวประวัติของพระนันทเถระพระเถระรูปหนึ่งพระอรหันต์ผู้ใหญ่ในพระพุทธศาสนาของเราสําหรับวันนี้เวลาของทางรายการธรรมสู่สันติก็หมดลงเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านผู้ฟังผู้สนใจฝ่ายธรรมโปรดติดตามรับฟัง หลากหลายสาระในธรรมสู่สันติได้ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมงเกิดมีแต่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทนือนเจริญพร